44. อนาปุจชาวรณวัตถุว่าด้วยการกักกันสมณีนโดยไม่บอกอุปชา 108. สมัยนั้นพวกภิกษุชพคีไม่ถามพระอุปชาก่อนได้กักกันพวกสมณีไว้พระอุปชาตามหาด้วยนึกสงสัยว่าทำไมหนอพวกสมณีของเราจึงหายไปภิกษุทั้งหลายได้เรียนว่า พวกภิกษุชาวพัปปคีได้กักกันไว้ขอรับพระอุปชาทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพนทนาว่าขณะพวกภิกษุชาวพคีจึงไม่ถามพวกเราก่อนกักกันสําเนนทั้งหลายของพวกเราไว้เล่าจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังไม่ขออนุญาตอุปลาการก่อนไม่พึงทําการกักกันสําเนนไว้รูปเดิมธรรมต้องอบัติทุกกฎ